หลวงพ่อไม่ดื้อนะกับครูบาอาจารย์ไม่ดื้อแต่ไม่ไม่เชื่อ <c oughs> ไม่ดื้อหรอกท่านบอกให้ทําอะไรนะทําไม่เลิกเลยท่านถามเชื่อไหมยังไม่เชื่อครับยังไม่เห็นบอกท่านซื่อๆนะไม่ได้บอกแบบอวดดีเลยมีคราวหนึ่งหลวงปู่ดุลท่านสอนสอนสอนสอนท่านแย่เชื่อไหมหั ก, ก, กักนิดหน่อย ยังมีเชื่อครับแต่จะไปลองทําดูถ้านมาเ อ, อิต้องอย่างนี้สิเชื่อซะแล้วนะก็ไม่เดินปัญญาแล้วเวลาเราภาวนานะบางทีเราเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ทีแรกไม่ได้คิดหรอกไปเห็นจริงๆเข้าเห็นแล้วมันจําได้ต่อมาพอมีความรู้สึกอย่างนี้เกิดขึ้นเราก็คิดล่วงหน้าเลยเนี่ยมันแสดงไตรลักษณ์ตกจากวิปัสสนา ลงมาอยู่ที่พื้นเลยแง้งแม่งเลยไปคิดนำใครเป็นบ้างอันนี้หลวงพ่อก็เคยเป็นมันจำลีลาการของจิตชนิดต่างๆไว้ได้พอมาตรงนี้แล้วว่เดี๋ยวจะไปอย่างนี้โอ้สู้กันนานเลยมันทีมหลอกเรามันเคยหลอกกระทั่งมันแบวกออกแสงสว่างพุดขึ้นมา แต่ผูดออกมาครึ่งเดียวเหมือนพระอาทิตย์พ้นเมฆมาครึ่งหนึ่งแล้วก็คาอยู่กันนะเราให้อีกหน่อยอีกหน่อยมันไม่ยอมขึ้นพอไปลุ้นนะเลยปลุบลงไปใหมนะ่ไม่ได้กินเลยพอนาเราไม่ไม่เป็นดักหน้ามันดูสภาวะอย่างที่มันเป็นได้ไมไม่ต้องกลัว ง, ง้อ ภาวนานะภาวนาไปครูบาอาจารย์ร้อยรอลงเรื่อยๆละ่ะพวกเราก็ต้องภาวนาขึ้นมาแทนภาวนาะแล้วมันเห็นผลเวลาจวนตัวขึ้นมาคนทั่วๆไปนะโอ้หาสงสารห้าสังเวชนักภาวนาเผชิญหน้ากับความตายร่าเริง ราเริงมากๆเลยนะใช้คําว่าร่าเริงเนี่ยถูกเป๊ะเลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะ่ยสงบนะแต่ร่าเริงไม่ใช่สงบแบบเสื่องซึมหนกหงอยงยไม่ใช่สงบแบบงอยๆยเดินก็เดินเหมือนนกกระยางจ้องกินปลาธรรมะมันไม่ได้อยู่ที่กระบวนท่าอยู่ที่จิต จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนนะให้มันมีสติไว้จะสุขจะทุกข์จะดีจะชั่วให้มันมีสติไว้นี่เราจะเห็นขันมันทำงานไม่มีเจ้าของร่างกายมันทำงานไม่ใช่เราทำงานความสุขความทุกข์เกิดขึ้นไม่มีเจ้าของกุศลอกุศลเกิดขึ้นไม่มีเจ้าของ จิตเกินดับทางทวานทั้งหกไม่มีเจ้าของเห็นขันมีอยู่ไม่มีเจ้าของเห็นทุกมีอยู่ไม่มีเจ้าของเห็นการกระทำแต่ไม่มีผู้กระทำใครกระทำขันมันกระทำใครหายใจขันมันหายใจใครสุขใครทุกข์ล่ะขันมันสุขมันทุกข์ใครดีใครชั่วขันมันดีมันชั่วใครรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจขันมันรู้ มันไม่มีเจ้าของไม่มีผู้กระทำมีผู้แสดงแสดงไปขันมันทำงานไม่มีผู้กระทำไม่ใช่เรากระทำเนี่ยถ้าใจมันถูกน้ำก็เห็นใจไม่ถูกไม่เห็นน้องคิดไงเขาคิดไม่ออกธรรมะนี่คิดไม่ออกหรอกอัศจ ร, รยอย่างจะนึกออกหรือว่าถ้ารู้แจ้งอริยสัจแล้วจะข้ามโลก พ้บัตตะได้นึกไงก็นึกไม่ออกอาใครจะถามบ้างวันนี้มีไหมใคร่าส่งกันบ้านนมาสกการค่ะหลวงพ่อขอโอกาสสองข้อค่ะหลวงพ่อก็ที่มาอยู่ที่นี่ก็ทำต่อในส่วนของแยกธาตุแยกขันธ์กับฝึกไตลักษณ์อะค่ะทีนี้ส่วนที่นั่งอะเมื่อวานวันก่อนเห็นเห็นตัวที่ที่มันมีการ แยกธาตแยกขันแต่เห็นว่าอย่างที่หลวงพ่อบอกคือกำลังสมาธิไม่พอ <c oughs> ก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันไม่เป็นกลางเลยอะค่ะ <c oughs> แล้วมันก็ทนไม่ไหว <c oughs> อันนี้อันหนึง่งเราเป็นปัญญาชนนะเรารู้ว่าอะไรเป็นจุดออนของตัวเราเองแล้วก็พัฒนาเอาดีที่สุดเลย <c oughs> ช่วยตัวเองได้ <c oughs> ถ้าไม่รู้ว่าตัวเองมีจุดอ่อนอะไรไม่รู้จุดแข็งของตัวเองนะทํายากรู้เขารู้เราเขาก็คือกิเลสรู้เราดูเรามีต้นทุนเท่าไหร่อะไรอกุศลอะไรยังไม่ละกุศลอะไรละได้ชั่วคราวแล้วมาใหม่อกุศลอะไรละได้ถาวรก็ต้องรู้กุศลอะไรยังไม่เจริญสำรวจ กาศรศีลภาวนามีไหมภาวนามีสมถะไหมมีวิปั ส, สนาไหมสมาธิไม่พอก็เพิ่มปัญญาไม่พอก็ออกเดินปัญญาก็สนะํารวจเอาตัวสมาธินี้แค่ดูใจที่เคลื่อนพอไหมคะหลวงพ่อพอแต่จะเข้าไปพักผ่อนนะถึงเวลาจิตมันก็จะเข้าไปพักเองการดูจิตจะได้สมาธิอัตโนมัตินะ มันมีอีกส่วนหนึ่งที่มันเกิดขึ้นมาเป็นเหมือนกับว่าถ้าเราอยู่หรือว่าเราอยู่นิ่งๆเฉยๆมันมีสภาวะอันนึงเหมือนกับเป็นทุกข์บีบคั้นมันเป็นเหมือนกับว่ามันเป็นความเบื่อที่เข้าใจว่ามันยังเป็นโทสะอยู่แล้วแล้วมันก็เหมือนกับเบื่อมากที่จิตมันอยากแล้วมันทยานออกไปทํานู่นทํานี่ให้รู้ทันโทสะโทสะครอบใจเนี่ยสำรวจเอาจิตยังมีโทสะครอบงแล้วก็รู้เอาใช่ไหม แล้วเมื่อเชา้าที่นั่งฟังหลวงพ่อเห็นตัวเนี้ยค่ะมันแรงมากแต่ว่าอฟังเทศไปแล้วมันคลายอย่างเนี้เรียกว่าเราเห็นไตรักษไหมคะอถ้าเราเห็นมันคลายตัวกําลังคลายอยู่ก็แสดงไตรักอยู่ใจรักอยู่ใช่ไห ม, มถือว่าถือว่าเราไปคิดหรือว่าเราเห็นมันเราเห็นจ ร, จริงเห็นแล้วใช่ไหมใช่คิดไม่หายนะอันนี้ไม่ได้ยิ่งแ่นไม่ได้คิดแต่ว่าเห็นว่ามัน จางหายแล้วมันเบาเลยอะค่ะนั่นแหละมันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูถ้าอย่างนี้ถ้าเกิดสภาวะอย่างนี้ถ้าเราไม่แทรกแซงแล้วเราก็ทนมันไปในลักษณะหรู้ใจที่ไหลใจที่ทันจิตไว้ในจิตไม่ไม่เป็นกลางตรงที่เราจะดูสักว่ารู้ว่าเห็นจิตต้องเป็นกลางก่อนเป็นกลางด้วยสติงั้นอย่างเห็นสภาวะอย่างหนึ่งเกิดขึ้นหความทุกข์เกิดขึ้นจิตไม่ชอบ ให้รู้ที่ไม่ชอบก่อนพอไม่ชอบดับนะก็เห็นสภาวะนั้นไปเห็นความทุกข์ไปไม่จะผ่านมาแล้วผ่านไปแสดงไตรลักษณ์ได้ถ้าใจไม่เป็นกลางมันเกลียดอยู่ปัญญาไม่เกิดออกจิตมันเป็นอกุศลค่ะเรียนมาแลอย่างจิตลักษณะของกุศลและอกุศ ล, ลจิตถ้ามีราคะโทสะโมหะเป็นอกุศลแน่นอนถ้าจิตเบาเนี้ยกุศลหรืออกุศล จิตเบา<ภ>จิตเ่า ม, <บ au. c oughs> มีจิตโลภะก็ได้นแลหละค่ะจิตที่เป็นกุศลกับจิตที่มีโลภะโลภามูลจิตมีตัวร่วมกันเยอะเลยเช่นมีเวทนาอย่างเดียวกันเหมือนกันได้เราต้องทำอะไรเพิ่มเติมหมคะหลวงพ่อก็อมีสติอยู่กับปัจจุบันรู้ทันใจที่ไม่เป็นกลางโธสะแทรกเยอะก็รู้เอาค่ะ ก็เที่ยวนี้รู้สึกมันดีขึ้นนะคะจิตมันจะอยู่กับคําบริกรรมแล้วก็มีครั้งหนึ่งที่อยู่กับคําบริกรรมเสร็จปุ๊บก็จะเห็นไอ้มันมีแบบความคิดไหวเคลื่อนขึ้นมานะคะแล้วก็พอเรารู้สึกตัวปุ๊บมันก็หายไปเราไม่ห้ามนะ <c oughs> ที่เราบริกรรมนะไม่ใช่เพื่อบังคับว่าไม่ให้จิตเหมือนอย่าขยับมือเนี่ยไม่ใช่เพื่อไม่ให้คิด เราทําไปแล้วถ้าจิตคิดให้รู้ทันตัวนั้นหาพุทโธพุทโธจิตคิดแล้วรู้ทันใช้ได้ตรงนี้ก็คือถ้าเรารู้สึกตัวขึ้นมาตรงนั้นเสร็จเนี่ยมันเหมือนกับการที่มันพบมันหายไปมันสั้นลงหรือเปล่าคะอ้ามันพบชั่วช่วนั้นก็ดับเลยเพราะสติเกิดแล้วพบไม่ดีก็ดับคก็เป็นพบใหม่เป็นพบที่ดีถามว่าเป็นพบไหมเป็นศีลสมาธิปัญญาเกิดในพบนะอ ยกเป็นในอริยมรรคศีลศีลที่เป็นโล ก, กุตระสมาธิปัญญาโล ก, กุตระเกิดในมรรคแต่ศีลสมาธิปัญญาใหญ่ที่เราใช้นะั่อยู่กับโลกนี่แหละเกิดในภพแล้วก็ก็ดูแค่นี้ต่อไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะถือศีลห้าทุกวันทำในรูปแบบนะเวลาที่เหลือเจริญสติกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าค่ะ หลวงพ่อบอกในหลายเรื่องที่เป็นกิเลสจะแค่แล้วก็ให้เมื่อวานวันแรกที่มานั้นก็จิตติดอารอมณ์เห็นความจิตมีมองอแล้วก็สิ่งที่หลวงพ่อบอกว่าพอมองปุ๊บมันก็จะน้ําตาจะไหลออกก็เห็นนะเมื่อก่อนจะไม่เห็นแล้วคืนนี้พอมองย้อนเข้าไปก็เห็นทุกข์นะฮะเพราะว่ามันกลัวคกลัวทุกข์นี่แหละมันเลยหนีเท่าไห นั้นเราย้อนมาดูทุกไว้เมืนะ่อชาลุงพ่อพูดไปแล้วที่อยู่กับอดีตเมื่อวา<ม>ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เห็นเห็นว่าอายตนะนี่เป็นสิ่งที่นำทุกมาให้<ม>ทำให้เกิดสังขารแล้วก็ไปถึงอดีต<ม>ดูดูเห็นครอบครัวท่าน เหมือนครบครัวลูกค่ะก็เลยเลยไปคิดอ้าไฟใหญ่น้ําตาไหลเลยอี น, นอา่าเขาพ่อต้องเจออย่างเราเขาก็อบครัวดีค่ะนี่ลูกเขเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่เห็นเห็นอูเหมือนเลยแล้วก็เลยทีนีไปอิมอเม จ, จินลองหายความอยากในอดีตมีไหมคะ ค, ความอยากเนี่ยความอยากมีมากค่ะความอยากนะอย่างเราอยากถึงอดีตนะจริงๆเราอยากปัจจุบันนะ แต่ว่าเอาอาดีตเป็นอารมณ์เท่านั้นดังน้นสภาวะธรรมจริงๆอยู่แต่ในปัจจุบันค่ะนะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นเรารู้ลงปัจจุบันรู้ลงเฉพาะหน้านี่เองแล้วก็เห็นมันเกิดแล้วก็ดับไปดับไปนะว่าเช้าที่หลวงพ่อเทศให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนะคะจะจําตรงนั้นไวค้ค่ะจำไว้ก็แล้วกันะนะแต่ว่าการอยู่กับปัจจุบันไม่ใช่การบังคับตัวเองอนะถ้าบังคับตัวเองจะอึอดอัด โอกาสมาอยู่วัดนั้นรอบปีอยากจะได้ธรรมมาจากหลวงพ่อเป็นการบ้านจะค่ะเข้มเอยู่ <ๆ S 2> บ้านอยู่วัดก็เหมือนกันน ะ, <ฮ>ะอยู่กับปัจจุบัน <ฮะ S 2> อนดีตจบไปแล้ว<ฮ>ะไม่มีอะไรนึกถึงก็มีแต่ทุกข<ช>์ปัจจุบันนี้เป็นของสําคัญนอนาคตก็ไม่ต้องเป็นกางกังวลมัน <S <S 2> <S 2> เราจะดีหรือจะชั่วต่อไปข้างหน้าอยู่ตรงนี้ต่างหาก ตอนนี้เหมือนเริ่มนับหนึ่งใหม่ฝึกสติใหม่เจ้าค่ะเพราะว่าอันตรายเจ้าค่ะอย่าให้ใจมันหลงออกไปอยู่กับปัจจุบันนะอยู่กับกายไว้รู้สึกรู้สึกก็คืออยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆคือสังเกตกายไปเรื่อยๆนะแล้วถ้าความรู้สึกในใจเกิดแล้วก็รู้เอาก็จะเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างชั่วคราวเหมือนตอนนี้ต้องกระทบผัษะที่แรงๆ มันถึงจะเด้งขึ้นม า, <อ>าใช่ไหนะให้มันกระทบไหมถ้าเราหนีโลกไปหลบอยู่งั้นไม่ดีไม่ดีเลยเนะนี่ยนะหลวงพ่อหลังๆเลยไม่ค่อยแนะนำให้พวกเราเที่ยวตะเวนไปภาวนาที่โน้นที่นี่นะมันพลาดง่ายพลาดมาเราแก้ยากนี่เขาเรียนมาจากที่อื่นเามานมหันกังแก้ นำมาส ก, การหลวงพ่อค่ะขออนุ ญ, ญาตส่งการบ้านในรอบหเดือนนะคะห hmm. เดือนที่ผ่านมาหนูก็ไปปรับปรับจิตจริงๆแล้วก็คือปรับรูปแบบการใช้ชีวิตในชีวิตประจำวันให้มันให้จิตมันเป็นธรรมดาธรรมชาติมากขึ้นนะคะแล้วกอ็ออกไปกระทบภาษะมากขึ้นแต่ปรากฏว่า เมื่อสักสองสัปดาห์ก่อนนะคะหนูเพิ่งเห็นว่ า, าจิตเวลามันหลงอะคะ่ะมันหลงไปแล้วมันไปอยู่ในที่ไหนก็ไม่รู้ไกลมากแล้วก็หูมันไม่ได้ยินเสียงซึ่งควรมันจะได้ยินเสียงที่มันมีอยู่ในธรรมชาติอะคะ่ะหนูรู้สึกว่ามันอันตรายและน่ากลัวมากสำหรับชีวิตหนูแล้วอะคะ่ะ <laughs> คือว่ามีหูอยู่แท้ๆยังไม่ได้ยินนะคะหนูก็เลยคิดว่า หนูจะตั้งใจใหม่หนูจะเปิดใจให้กระทบภัสสะให้มากกว่านี้จะไม่หนีมันทั้งทั้งตัวและจิตซึ่งก่อนหน้านี้นหนูก็เห็นว่าอย่างเวลาดูอะ่ะถ้ามันกําลังจะแปลค่าปุ๊บหนูจะรีบหันหน้าแต่พอเราตั้งใจไม่หันหน้าแล้วปรากฏว่าจิตมันหนีอีกปัดทิ้งอีกคราวนี้คือพอเห็นว่าจิตมันปัดทิ้งอีกดูเข้าไปอีกมันก็ยังไปหลบอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วเมื่อสักสองวันก่อนหนูก็ไปวิ่งในที่ที่หนูไม่อยากจะไปวิ่งให้ให้เจอคนเยอะๆหนูก็เห็นว่าคนกำลังเดินมาเนี่ยมันก็ปึ๊บจบเข้ามาข้างนอกก็งเงียบข้างในก็เป็นความรู้สึกตัวเราเองแต่มันมีอะไรครอบเราอยู่ค่ะหนูแล้วเมื่อวานหนูก็โมโหอะค่ะโมโหแล้วปรากฏว่ามันก็มีคลื่นแทกเต็มหัวหนูแล้วหนูก็แบบ ขับรถ ด, ด้วยหนูก็พยายามจะรู้สึกตัวแล้วก็พยายามดูไปด้วยปรากฏว่ามันหายไปได้หนูก็ดีใจแต่พอเช็คดูอีทีมันว่างอีกแล้วอ่ะค่ะแล้วมันว่างอยู่ทั้งวันหนูพยายามแบบงัดแงงไงมันก็ไม่ออกหนูมีปัญหามาถามหลวงพ่อว่าจิตหนูหนูรู้สึกว่ายังในหนูชีวิตนี้หนูก็หนีความว่างไม่พ้นนะคะหนูควรจะภาวนายัางไงกับความว่างดีคะสังเกตไหมว่าเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกัน ไม่เหมือนค่ะนะมันยังรู้เวลาจะไปอยู่กับว่างก็รู้ทันอะไรเงี้ยไม่ติดแล้วนี่จิตมันเคยชินที่จะเข้าช่องนะั้นมันก็เข้าบ่อยแต่เข้าแล้วรู้ก็จะไม่ติดนะก็จะเห็นเลยว่าจิตที่ว่างก็ไม่เที่ยงจิตที่ถอยออกมาก็ไม่เที่ยงเดินปัญญามันตรงนี้เลยเอ๋อค่ะเพราะหนูลังเลตรงนี้ค่ะหนูคิดว่า หนูคิดว่าตัวหนูคิดเองว่าถ้าหนูได้เห็นการทํางานมันก็น่าจะโอเคแต่ถ้าหนูไปพยายามจะทํามันว่าไม่ให้มันว่างอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ใช่ที่สําคัญคือรู้ทันเนี่ยรู้ทันว่าตอนเนี้ยจิตไปติดว่างพอรู้มันก็ยังไม่ติดค<ฆ>่ะเป็นจิตที่ไม่ไปติดว่างคนละจิตเดี๋ยวละ<ฆ>แล้วต่อไปเราก็เห็นเดี๋ยวก็ไปติดว่างอีกเดี๋ยวรู้ทันอีกเดี๋ยวก็ติดอีก <c oughs> สลับกันไปเรื่อยๆ <c oughs> สุดท้ายปัญญามันเกิดเห็นว่าจิตติดว่ า, างนะก็บังคับไม่ได้สั่งไม่ได้มันเป็นเองค <c oughs> จิตจะรู้สึกตัวสั่งให้รู้สึกตัวก็ไม่ได้มีแต่ของบังคับไม่ได้มีแต่ของไม่เที่ยงนี่ดูอย่างเนี้เดินปัญญาไปเลยคกรบขอบคุณค่ะแล้วก็หนูมีปัญหาอีกก็คือว่าหนูไม่ชอบคนเพราะว่าหนูรู้สึกว่าคนแผ่คลื่นออกมาค่ะแล้วก็ทําให้หนูแบบ ไม่สบายกายอะไรอย่างเงี้ยหนูเคยไปเที่ยวนรกไหมไม่เคยแล้วหนูจะรู้นะว่าพวกนั้นแผลมากกว่าคนอีกแล้วเคยเข้าสวนสัตว์ไหมลงไปดูสัตว์สิสัตว์ก็แผลคลื่นนะเพราะฉะนั้นสรุปแล้วทุกตัวแผ่คลื่นกระทั่งตัวเราเองก็แผลค่ะหนีไม่ได้หรอกคลื่นอ่ะอยู่ที่ว่าใจเป็นกลางหรือเปล่าค่ะเราะงั้นเราเข้าไปที่คนเยอะๆแต่เราไม่ชอบให้รู้ว่าไม่ชอบ หลวงพ่อแต่ก่อนก็ไม่ชอบนะสมัยภาวนาตอนเป็นโยมเนี่ยบางที่เนี่ยจะไม่ไปเลยที่ที่พวกเด็กวัยรุ่นอยู่เยอะๆเข้าไปเราเมาเป็นไหมมืนเป็นเขาวูปป่ะเออไม่ต้องกินเหล้าเลยนะเลือไปเจอวัยรุ่นแล้วก็เมาตต่หลังเนี่ยนะเห็นใจที่ไม่ชอบจดตัวนี้ไว้ค่ะค่ะตัวนี้เจอใครก็เหมือนๆกัน ค่ะแล้วก็หนูเห็นคืนเนี้ยพอมันกระทบหนูเราก็แบบว่าข้างในมันจะแน่นๆขึ้นมาอมพอแน่นๆแล้วมันก็มีการเคลื่อนไหวของลมข้างในหรือบางทีมันก็มีอะไรสั่นๆแล้วก็จิตหนูมันชอบนั่งสมาธิ ด, ดูลมหายใจอะค่ะแต่ว่าคือหนูก็พยายามดูอย่างที่หลวงพ่อบอกก็คือของหนูนะเอาแค่นี้แหละว่าถ้าจิตจะติดบ้างให้รู้ทั น, นจิตหลุดออกมาให้รู้ทันฝึกตัวนี้ให้ชํานาญค่ะนะ แล้วคือนั่งสมาธิแล้วมันก็ชอบเป็นยิ่งว่างอย่างนี้นั่งได้ไหมคะก็ให้รู้ทันว่ามันเปว่างอเคค่ะแล้วที่หลวงพ่อสอนให้ดูกองลมหนูไม่เข้าใจคําว่ากองลมอะค่ะสังเกตไหมมันมีลมซ่านอยู่ทั้งตัวเลยลมไม่ใช่มีแค่ลมหายใจนะะลมมันแทรกอยู่ในทุกอณูเลยอันนั้นหลวงพ่อให้ไปดูเพื่อว่าไม่ให้จิตติดว่างเท่านั้นแหละให้หางานทําค่ะ แต่เป็นนี้คอยรู้ทันจิตนะจิตติดว่างให้รู้จิตหลุดออกมาให้รู้ขอกาศครับส่งกันบ้านในรอบปีครึ่งครับก็ทำในรูปแบบเนืองๆครับเกือบเกือบถ้ามีเวลาก็เกือบทุกวันก็เห็นกายใจทำงานได้เองบ้างแต่สองสาครั้งหลังเนี่ยเห็นตอน ตอนนอนตอนกลางคืนนะครับกึงกึงหลับกึงตื่นอครับแล้วก็มีพักหลังเนี่ยน่าจะงานทางโลกเยอะครับแรงมันเริ่มตกตกเริ่มตกไปก็พกลับมาทําในรูปแบบมากขึ้นก็สวดม น, นสวดมนแปลครับก็ทําให้รู้สึกมีมีพลังมากๆขึ้นดีครับก็จริงๆปีครึ่งเนี่ยมีมีการบ้านเยอะมากแต่ เอาเอาตอนนี้เลยดีกว่าใช่ต้องเอาตอนนี้จิตไม่เอาแล้วตอนเนี้ยมั น, ม, นมันไม่ไม่รู้สึกไม่ไม่ปกติครับมไม่ถึงฐานหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ถึงครับคือถ้ารู้ตรงนี้นะไม่มีปัญหาอะไรละมันมันเหมือนจะเข้ามาข้างในจะกดก็ไม่กดหรือจะจะพุ่งออกไปก็ก็ไม่อืครับเรียกว่าเรากดแบบมีชั้นเชิงออไม่กดจนอัดมันติดพื้นเลยครับทีนี้ทีนี้ต้อง การู้ลองปัจจุบันไปฝึกไปเรื่อยรักษาศีลหเท่านั้นแหละสาธุครับนบนมศการหลวงพ่อครับการบ้านหนปีที่แล้วนะครับหลวงพ่อให้ผมไปดูร่างกายว่าเดินเดินนั่งนอนมีใจเป็นคนดูครับทาความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเรานะครับแล้วก็มีบอกว่าอย่าประคองนะครับ แล้วก็สุดท้ายหลวงพ่อพก็ให้ผมไปทาต่อครับทีนี้การบ้านปีนี้หลวงพ่อจะเพิ่มเติมหรือว่าลดอะไรไหมครับตรวจตรวจการบ้านตัวเองสิครับดีขึ้นไหมคือผมผมจะเห็นว่าผมมีโทสะค่อนข้างรุนแรงครับในบางช่วงะครับก็เลยก็มีเห็นตรงจุดนี้นครับแล้วก็มีโทสะบางทีก็ของเรานะที่ของคนอื่นแทรกเข้ามาก็ได้ ถ้าโทสาเยอะใจไม่สบายเราก็เจริญเมตตาไปนะ บ, รรารบริกรรมไปเมตตาคุณากระหังเมตตาอย่างี้บริกรรมไปให้ใจได้พักผ่อนอะ๋อผมผมดูไม่ค่อยออกว่าว่าจะขันแยกหรือเปล่าจะจะฝึกอย่างนี้ต่อไปเลยโดยไม่สนใจได้ไหมครับได้ ได้ใช่ไหมครับนะฝึกไปเห็นขันมันทําเห็นกายมันทํางานไปใจเป็นคนดูไปเลยอย่างนี้ไปอย่างอย่างเดียวเลยไหมครับหลวงพ่อครับหรือมีหลวอะไรมีเพิ่มเติมก็มีอย่างอื่นด้วยก็ถือศีลห้าทุกวันทําในรูปแบบนะแล้วเวลาที่เหลือเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูไปครับแล้วต่อไปจะเห็นใจได้ชัดขึ้นการดูกายเนี่ยครูปอาจารย์บอกนะดูกายเพื่อจะเห็นจิตนะดูกายเพื่อให้เห็นจิตดูจิตจะได้เห็นธรรม เพราธรรมมเกิดที่จิตทั้งกุศลทั้งอกุศลทั้งมรรคผลยอยู่ที่จิตหมดเลย <Okay. S 1> นี่ถ้าอยู่ๆเราไปดูจิตไม่เจอแล้วดูกายง <Okay. S 1> ั้นอย่างขยับเนี่ยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู <Okay. S 1> ต่อไปจิตใจเป็นสุขจิตใจเป็นทุกข์จิตสงบจิตฟุ้งซ่านก็รู้เอาแล้ว <Okay. S 1> เดินปัญญาต่องั้นช่วงนี้ผมก็ปฏิบัติในแบบ แบบนี้ไปก่อนใช่ไหมครั บ, รบได้แล้วทำสมถะด้วยการเจริญเมตตาไปกามนมะัการาหลวงพ่อครับผมมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เข้าใจนะฮะก็จะมาขอให้ท่านการุณาชี้แนะครับคือเมื่ อ, อ, อวันก่อนนะฮะผมหลังจากฟังธรรมรอบเช้าเนี่ยเสร็จผมเดินไปที่โรงอาหารไปนั่งอยู่หน้าต้นไม้ต้นหนึ่งแล้วก็เห็นไก่ แม่ไก่ผ่าลูกไก่ออกมาก็ดูเอ๊ะชีวิตมันก็อย่างนี้เองนะมันตัวเล็กๆโตมาแล้วเดี๋ยวก็แก่เดีวก็ตายทีนี้ก็ทําใจให้ว่างสักครู่หนึ่งเนี่ยเห็นว่าภาพที่ผมมองออกไว้เนี่ยมันเหมือนกับเป็นภาพโปรโมชั่นนะครอาจารย์คือเห็นมัเป็นเป็นช่วงๆช่วงๆนิดๆสักสิบกว่าช่วงแล้วก็พอจิตมันนึกว่าเอ๊ะเรากำลังเห็นอะไรอยู่มันก็มันก็หลุดออกไปจิตมันเป็นสมาธิ อ๋อครับเวลาจิตมันมีสมาธิแล้วมันจะเห็นเป็นชัดๆๆๆไปเร่ย น, นะครับอีกสิ่งหนึ่งก็คือเมื่อเช้านี่ครับหลังจากฟังทำเสร็จผมก็ลองไปที่ลานจอดรถนะฮะก็ลองฝึกเดินจงกรมดูซึ่งปกติไม่เคยทำก็มีความรู้สึกว่าหลังจากทำจิตให้แบบสบายสบายแล้วก็เดินต้องสบายครับก็เห็นว่าเหมือนกับใจเราเนี่ยอยู่ ่อนข้างเนี่ยครับเห็นตัวเดินอยู่เห็นเท้าชัดนิดนึงแต่ตัวนี่มันมันมันมันมันโล่งๆว่างๆเป่าๆเลยนะกายกระจแยกออกมาเนี่ยมีสองแบบครับอันหนึ่งแยกในความรู้สึกแค่เห็นว่ากายก็อันหนึ่งใจก็อันหนึ่งไม่ได้แยกอยู่คนละที่แยกด้วยความรู้สึกเนี่ยถูกต้องแต่ถ้าแยกจนกระทั่งดึงเอาจิตอยู่ต่างหากนะเหมือนอยู่ข้างนอกตัวเลยแล้วย้อนมาดูเนี่ยสมาธิแรงไป ตัวนี้แหละที่ถ้าเอาไปดูอะไรนะจะเห็นเป็นช็อตๆไปหมดเลยอย่างนี้ถือว่าไม่ไม่ถูกต้องใช่ไหมมันเราเราสมาธิแรงไปเราความรู้สึกตัวเข้มข้นไปมันไปแยกเจนทังตัวรู้เนี่ยถอดออกมาอ๋อแล้วมันแดงไปครับอาจารย์รู้สึกสบายๆครับรู้สึกอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆไม่ไม่แยกถอดอัวไปอยู่ต่หากนะก็ก็ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ของหลวงพ่อมา่ก่อนถอดออกไปไว้ข้างนอกนะก็เห็นร่างกายเห็นอะไรถัดไปทํำมาขี้เกียจดูเลยไปดูอย่างอื่นเลยแต่ขณะอยากไปแต่ก็ไปครับใช้ไม่ได้เลยครับแต่ว่าขณะที่ที่เห็นอยู่เนี่ยมันก็มันไม่ต่อเนื่องตลอดนะครับอบางทีไปคิดเราก็รู้ว่าใจเราเองถ้าอยากใช้ใช้ได้ต้องเท้าไปเหยียบตุกโกรดก็รู้ว่าเอ้ยมันตะกี้ในเรื่องเวทนามันก็เพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดไปแล้วพอรู้สึกว่าเจ็บ ใจก็เริ่มจับปรุงแต่งก็ว่าเอ๊ะทีนี้มันสังขารเกิดนะอืออย่างนี้ถูกไหมครับถูกนะครับแต่นะของโยมต้องระวังปัญญามันล้ํานะฉลาดไปนะค่อยๆดูไปอย่าไปพิจารณาเยอะนะักนะดูพอนะั่งโง่ๆดีดูโง่ๆดูซื่อๆดูสบายๆดีถ้าอย่างนี้ดูแล้วก็เราคิดตลอดนะคอยบอกคอยบรรยายไอ้บอกหรือบรรยายในี้ใช้ได้ชัว่วคราวนะ ตอ่ตอต้นแต่ต่อไปพอชํนนานาญขึ้นจะไปคิดต่อให้เห็นมันเป็นยังไงความรู้สึกเจ็บเกิดขึ xem, ดข้นจะเห็นความรู้สึกเจ็บเกิดขึ้นความรู้สึกเจ็บดับไปจะเห็นเกิดดับไปพอเจ็บขึ้นมาใจชักเจะไม่สบายใจรู้ว่าไม่สบายใจเห็นความไม่สบายใจเกิดแล้วก็ดับไปอย่างนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะหรอกก็พยายามทําอย่างนี้อยู่ต้องใช้พยายามก่อนใช่ไหมครับใช่แรกๆต้องพยายามครับไม่งั้นมันหนีไปครับอาจารย์แล้วอีกอีกสิ่งหนึ่งนะฮะ คำว่ามารรายสามตัวเนี่ยคือประกอบด้วยโลภโกรดหลงหรือว่ า, ากิเลสตัณหาอุปทานครับมันก็มารด้วยกันทั้งนั้นแหละ <c oughs> โลภโกรดหลงอวิชชาตัณหาอุปทานเนี่ยเป็นแค่หนึ่งในห้าของมารเรียกว่ากิเลสมาร <c oughs> มารมีทั้งห้าชนิดนะส่วนกิเลสโลภโกรดหลงอะไรเนี่ยเรียกว่ากิเลสมารเป็นหนึ่งในห้าของมาร พอเกิดโลภปลดหลงเกิดกิเลสมาแลนะ้มันกระตุ้นให้เราปรุงต้องปรุงแต่งต่อไปนะคิดไปเรียกว่าอภิสังขารมันปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างปรุงความว่างบ้างนะแล้วแต่จะปรุงไปก็มีขันธมานตัวขันธ์นี่แหละโดยเฉพาะตัวกายนะเบียดเบียนทําให้ไม่มีแรงภาวนามีมัจจุมานความตาย กำลังภาวนาดีๆเลยจะได้มากผลแล้วตายซะก่อนนะก็มีเทวปุทตมารดวงจิตที่ขี้ฉามันแกล้งเราเทวปุทตมารมีทั้งที่เป็นเทวดาจริงๆก็มีนะเป็นมนุษย์ก็มีมนุษย์บางคนมันก็อิจฉาเห็นใครภาวนาดนะีมันส่งจิตไปแกล้งยัดนะอยู่ในกลุ่มของเทวพุทตมารเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาชนะมาร น, นะต้องใช้ความเข้มแข็งมากเลย ผู้ที่ชนะมารก็คือพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเองรู้ทันมันลูกเดียวเลยกิเลสมาก็รู้ทันความปรุงแต่งมาก็รู้ทันร่างกายเป็นไรก็รู้ทันความตายยังมาถึงต่อหน้าก็รู้ทันมารภายนอกมากแกล้งก็รู้ทันใจไม่ชอบก็รู้ว่าไม่ชอบเอาแล้วสู้กับมานไปกลับนะมัสการหลวงพ่อค่ะคือเรื่องนี้มันเกิดมาหลายปีแล้ว แต่ว่าหลวงพ่อเทศเมื่อสักครู่โดนใจอะค่ะคือเกิดสภาวะจิตมันแหวกกระแดงเหมือนพ้าทิตขึ้นนะคะแล้วก็เห็น <laughs> เห็นแผลผ้าแผลคลุมบางๆมันเยื่อ ม, มันไม่หลุดหรอค่ะแล้วมันหยุดอยู่แค่นี้ค่ะอตอนนี้ก็อยากทราบว่าปัญหาคือมันไปจำทางได้หรือว่าพลังกำลังมันอ่อนนะคะคือตอนนั้นอ่ะตอนที่เราไปเห็นทีแรกแรงเราไม่พอค่ะ มันแวกออกมาได้ไม่หมดมันไอ้ที่เรียกว่าผ้าแผลนะจริงๆเป็นอาสวะกิเลสมันคลุมอยู่มันขาดไม่หมดหน้าที่เราก็คือพรวางรงเราไปนี่แหละมีศีลสมาธิปัญญาทําไปเรื่อยนะกําลังพอมันก็ฉีกขาดเองสมรถะไม่เก่งเนี่ยแล้วมันจะเอากำลังมาจับไหมสมถะไม่เก่งไม่เป็นไรนะเราก็เจริญเมตตาไปเรื่อยก็ได้ก็ได้สมรรถะ พุโทโธพุโทโธไปก็ได้สมถะ <Okay. S 1> สวดมนต์ไปก็ได้สมถะสมถะแยะแยะไปค <Okay. S 1> ิดถึงความตายพรานี่เราใกล้าตายทุกวันทุกวันนี่ก็สมถ <Okay. S 1> นะสมถะก็คือทำอารมณ์มันหนึ่งขึ้นมาเพื่อไม่ให้ใจมันดีต ด, ดิ้นไปหารูปหาเสียงหากลิ่นหารสหาสัมผัสอย่างนวุ่ น, นวายข้างนอกกนะ <Okay. S 1> ็เป็นสมถนะะเจริญเมตตาก็ได้ <Okay. S 1> ที่สมเด็จโตท่านสอน เมตตาคุณังอรหังเมตตาเจริญใจก็สงบตัวนี้มันร้ายนะมันคลุมเนี่ยคลุมไม่เลิกเลยค่ะบางนิดเดียวค่ะขาดครั้งที่หนึ่งก็กลับมาปิดอีกขาดครั้งที่สองก็กลับมาปิดอีกขาดครั้งที่สามก็ปิดอีกนะค่ะต้อขาดครั้งที่สี่ถึงจะขาดเลยนี่กคดลุมไปเรื่อยๆมันพาไปเกิด มันมั น, นิดเดียวมันจะยิ้มแล้วแหละไม่มันไม่ยิ้มเหมือนเดิม <c oughs> น่าอย่าอยากส <c oughs> ิถ้าขาดออกมาจิตก็ยิ้มถ้าขาดออกไปนะขาดครั้งหนึ่งก็ยิ้มครั้งหนึ่งค่ะขาดครั้งหนึ่งก็ยิ้มครั้งห <c oughs> ลวงปูด่ดูลนั่นบอก <c oughs> เคยถามท่านหลวงปู่ครับมันต้องยิ้มกี่ครั้งสี่ครั้งหลวงปู <c oughs> งป่ก็นั่งนับ <c oughs> 3 4ครั้ง2 3 4่เออีสี่อย่างนี้คระบขอบคุณค่ะนิศการหลวงพ่อเจ้าค่ะนับเป็นโอกาสที่ดีโยมพบหลวงพ่อที่เชียงใหม่แต่ไม่เคยมีโอกาสส่งการบ้านโยมฝึกการเจริญสติในชีวิตประจำวันในการอยู่กับปัจจุบันขณะนะเห็นการเกิดดับอยู่บ่อยๆ เรียกว่าหนึ่งเนืองแต่ทีนี้พอทําในรูปแบบเนี่ยโยมติดขัดมาได้ประมาณปีกว่าคือโยมนั่งภาวนาเนี่ยตามลมหายใจประมาณสักห้าลมหายใจเนี่ยมันจะมีร่องเล็กๆที่ตกลงไปโยมเห็นเหมือนเหรียญเล็กๆที่ตกไปในบ่อลึกๆแล้วก็บึ้งลงไปเลยค่ะอันนั้นมันเป็นสมถะค่ะนะที่เป็นรวมเราไม่ชํานาญก็ตกใจถ้าชํานาญมันก็เหมือนขับเรือบินเก่งแลนดิ้งดีนุ่มๆ พอถอนออกมาเนี่ยเอาตรงเนี้ยมามันรู้สึกจิตมั น, นยังไม่มีกําลังสักทีเจ้เาแต่ว่าในชีวิตประจำวันการเจริญสติเนี่ยพวกพวกที่ปัญญากล้านะมันจะไม่ลงไปยุดอยู่นานาลงไปนิดเดียวก็เด้งขึ้นมาละเจ้าค่ะนะมันไม่ลงนานหรอกเจ้าค่ะและอย่างโยมจะวัดสติที่มีอยู่เนี่ยคือการนอนไม่ทราบว่าตรงเนี้ยโยมจะเข้าใจถูกหรือเปล่าคือเวลานอนเนี่ย ถ้าช่วงไหนกำลังสติโยมดีๆเนี่ยโยมจะมีความสึกว่าเวลานอนเนี่ยจะเห็นได้ยินแม้ลมหายใจของตัวเองและการนอนจะสั้นอแต่ถ้าช่วงไหนเนี่ยสติไม่ดีเนี่ยโยมไม่แน่นะบางทีร่างกายมันเหนื่อยมากมันก็นอนนานเอาตัวนี้มาวัดสติยังไม่ได้ยังไม่ถูกใช่ไหเจ๊ะเจ้าค่ะแต่ถ้าคนไม่เคยฝึกสตินอนไปก็นอนเหมือนหมูเหมือนหมาไปนะไม่รู้เรื่องอะไร สถ้าเรามีสติอยู่นอนนี่จะพลิกไส้พลิกความรู้หมดอนะ่ะเจ้าค่ะจะหายใจดังจะกลนจะน้ำลายไหลอะไรรู้เท่านั้นแหละเจ้าค่ะนะแต่ว่าไม่ต้องจงใจนะเจ้าค่ะของคุณเนี่ยไปดูตัวนี้เลยเกิดปัญญาแล้วตรงที่ปัญญาก้าเนี่ยมันจะมีกิเิตประจําพวกปัญญากล้าพวกเซลล์จัดเจ้าค่ะนะนี่ยเรารู้ตัวนี้เข้าไปเลยเจ้าค่ะนะถ้ามันมันคล้ายๆมีเซลล์ขึ้นมานะก็รู้ทันรู้ทันไปเจ้าค่ะนะ สู้เอานะเจ้าค่ะแยขันได้เนี่ยเป็นการเดินปัญญาขั้นที่หนึ่งเจ้าค่ะถัดจากนั้นก็จะเห็นในสภาวะของขันแต่ละขันนะมันมีเหตุมันก็เกิดเจ้าค่ะถัดจากนั้นก็จะเห็นในสภาวะขันแต่ละขันนะไม่คงที่เจ้าค่ะถัดจากนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างที่เกิดแล้วมันดับลงต่อหน้าต่อตาได้เกิดดับเกิดดับเจ้าค่ะ น, นี่ตรงเนี้ยถ้าต่อไปกําลังของสมาธิไม่พอวิปัสสนูจะแทรกเจ้าค่ะ ดีแล้วล่ะไปททำอีกสาธุถ้าเห็นว่าขันเป็นทุกข์ได้นะ ก, ก็จะไม่เกิดถ้าเห็นขันเป็นทุกข์ยังไม่ได้ยังเกิดอีกตัวนี้ดูยากที่สุดนะในการปฏิบัติทั้งหมดโนะดยเฉพาะการเห็นจิตเป็นทุกข์ยากที่สุดเลยการเห็นจิตเป็นทุกข์ไม่ใช่ทุกขเวทนา อยางบอกเราเห็นว่าร่างกายมีความทุกข์มันปวดมันเมื่อยไอ้นี่เราเห็นทุกขเวทนาเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์จริงหรือจิตใจเราไม่ได้เห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์เลยเรารู้สึกตัวจิตใจนี่เป็นตัวสุขตัวดีกิเลสมาละทำให้ทุกข์หรืออารมณ์ไม่ดีมากระทบหนอกทำให้ทุกข์ตัวมันอ่ะดีตัวมันประพัดสอนประพัสอนไม่ได้แปลว่าบริสุทธิ์คนละคำกันนะ พระเจ้าบอกว่าธรรมชาติของจิตนั้นเดิมมันประพัดสอนมันฟ่องใสแล้วเศร้าหมองเพราะกิเลส ท, ที่จารมาบางคนได้ยินนะจิตมันดีอยู่แล้วเราอย่าไปยุ่งกับมันมันดีอยู่แล้วไม่ต้องทําอะไรเลยอันนั้นพราะพุทเจ้าไม่ได้สอนท่านไม่ได้สอนว่าไม่ต้องทําอะไรเลยนะท่านสอนว่าให้ละชั่วให้ทําดีให้ทําจิตฝ่องแพรวต้องทําไม่ใช่ไม่ทําอกุศลต้องละกุศลต้องเจริญต้องทำใช่ไหม แต่ตรงที่บอกไม่ต้องทําอะไรนะั่นเป็นขั้นเจริญปัญญาหมายถึงว่าให้รู้สภาวะทั้งหลายที่ปรากฏทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วรู้ด้วยจิตใจที่เป็นกลางมันหลงยินดีขึ้นมารู้ทันมันยินร้ายขึ้นมารู้ทันรู้มันอย่างเป็นกลางแค่รู้แค่เห็นไปไม่ได้ทําอะไรเกินกว่าการรู้การเห็นด้วยจิตที่เป็นกลางนี่บางทีพูดธรรมะ ก, กันนะพูดมักง่ายไม่ต้องทําอะไรเลยรู้อย่างเดียว รู้อย่างเดียวไม่ใช่ศาสนาพุทธจะไม่เห็นแจ้งหรอกพระเจ้าไม่ได้สอนรู้อย่างเดียวนะท่านสอนรู้ทุกนะไม่ใช่รู้อย่างเดียวเวถีม่วแล้วเผยแผ่ลัทธิสุญญาตากันรักษาจิตให้ว่างไม่ต้องทำอะไรทำจิตให้ว่างไอ้ทำจิตให้ว่างนั่นแหละรเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารโคดเง่าของอาเนญชาพิสังขานี่ก็คืออวิชชา ทำจิตว่างๆ ง, งั้นเราเรียนธรรมะนะเรียนเรียนให้รอบครอบยิ่งถ้าเราจะพูดธรรมะต้องรอบครอบมากแต่ครอบครอบอยังไงก็ลําบากนะอย่างหลวงพ่อสอนสอนเนี่ยอย่างเราสอนคนนี้นะอีกคนหนึ่งได้ยินเราก็ไปบอกว่าหลวงพ่อสอนอย่างเนี้ธรรมะบางอย่างเป็นธรรมะทั่วไปบางอย่างเป็นเรื่องเฉพาะตัวนะธรรมะมีหลายอย่าง ไม่ใช่เมียนเดียวอย่างบางคนลูกศิษย์หลวงปู่ดูลนะีชอบส่งขีดออกข้างนอกหลวงปู่ดูลบอกอย่าส่งขีดออกนอกสรุปแล้วหลวงปู่สอนเท่านี้แหละหรือหลวงปู่บอกว่าอย่าไปคิดอยา่าสมกันิสัยอย่าคิดมากไม่เจอหลวงปู่คิดมากมอย่าไปคิ ด, คดสรุปหลวงปู่ห้ามคิดสรุปไปอย่างนั้นเลยนะทํามาจะเพี้ยนไปหมดเลยเพราะ เหมือนที่หลวงปู่มั่นท่านว่านะธรรมะพอเข้ามาอยู่ในจิตบุติชนนะกลายเป็นสัธรรมปฏิรูปหมดเลยเป็นของปลอมหมดเลยนะนั้นธรรมะไม่ใช่เรื่องขี้เหน้านะตั้งอกตั้งใจสำรวจตัวเองดูกุศลอะไรยังไม่ละกุศนละอะไรยังไม่เจริญสภาวธรรมบางอย่างต้องละบางอย่างเจริญบางอย่างเข้าไปรู้อะไรเงี้ยนะแต่ละอันแต่ละสภาวะไม่เหมือนกัน ไม่ใช่รู้ลูกเดียวรู้ลูกเดียวเชื่อดอคอไข่ก็ได้นะถ้าศักว่ารู้ว่าเห็นเชื่อดจิตว่างเชื่อดแทงแทงด้วยจิตว่างนะเลียวไหลกลับบ้านกลับบ้าน